ปฏิบัติในเอสติประฐานสี่อะค่ะและทีนี้คือมีครูบาอาจารย์นะคะก็เวลาเกิดสภาวะธรรมหรือว่าเกิดข้อติดขัดอะไรก็จะเข้าไปถามและท่านก็จะแบบบอกอยู่คําเดียวบอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรให้มายึดให้มาอยู่กับจิตมาอยู่กับจิตอย่างเดียวอะคะ่ะไม่ว่าจะเกิดสภาวะธรรมอะไรก็ตาม ก็เลยแบบว่ามาอยู่กับจิตค่ะเหมือนแบบว่าเหมือนเกิดสภาวะธรรมบ่อยอะครับพระอาจารย์ก็เลยพระอาจารย์ก็เลยบอกแนะนําบอกว่าจะเกิดสภาวะธรรมอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจมันให้มามาม า, มาอยู่กับจิตของเราไม่ต้องเอาจิตตรงออกนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังๆก็มีสภาวะธรรมก็แตไม่ค่อยเข้าไปถามพระอาจารย์แล้วอะค่ะก็แบบว่า คงได้คำตอบเหมือนเดิมก็เลยแบบว่าอาฝึกฝึกมามันมันก็มีมันก็มีสภาวะทรมาเหมือนกันนะคะก็เลยแบบอ๊าพระอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้อยู่กับจิตก็เชื่อพระอาจารย์นะคะก็จะฝึกปฏิบัติอย่างนี้มาค่ะและขอถามนิดนึงนะคะเพราะพระอาจารย์เคยบอกว่าผู้รู้ว่าเราเราเอาผู้รู้ไปมองตัวถูกรู้แล้วทีนี้เราลองเปลี่ยนสิ เปลี่ยนจากการไปมองอสิ่งถูกดูเนี่ยมามองตัวผู้รู้ค่ะคล้ายค้ายเหมือนมองนะ่ะมองเรามองเห็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนจากมองนาฬิกามามองมามองตัวเราอะไรลักษณะนั้นน่ะคะ่ะขอหลวงตาขยายความนิดนึงอ่ะคะ่ะแล้วอาจารย์เขาว่าไงอะ่ะก็แนะนําเราอย่างไรตรงเนี้ยอ๋ออาจารย์ก็แนะนําให้ทําอย่างเงี้ยค่ะ ให้ทำให้เหมือนกับเราไปมองนาฬิกาให้ฝึกให้เราฝึกฝึกดูผู้มองนาฬิกาแล้วให้เราฝึกเองนะคะแนะนํำยังไงอาจารย์เขแนะนำยังไงก็ับไกลับมามองดูผู้มองดูผู้มองดูนาฬิกาแล้วแล้วเราเหมือนแบบว่าเราเราเรามองเห็นนู่นนี่หารกลับมามองไอ้ตัวตัวที่ออกไปออกไปรู้นู่นรูนี่สิหันกลับมามองตัวนี้สิไอ้ไอ้ตรงที่หันกลับมามองเนี่ยคือ คือมันยังไงคะคือมาวางวางความรู้สึกไว้กับตัวตัวนี้เหรอคะหรือยังไงคะ่ะขอหลวงตาขยายความนิดนึงอะค่ะเวลาบอกตรงนี้หนูจะเข้าใจมเนี่ยคือหนูเห็นตัวผู้ปยาไปมองดูนั่นแหะ คือปัญหามันอยู่ตรงไอ้ผู้พยายามจะมามองดูตัวเราหรือพยายามจะมองดูจิตน่ะแหละหรือตัวผู้ที่หนูเห็นตัวเนี่ยตัวผู้ที่จะพยายามไปเป็นมองดูตัวเราผู้มองดูนาฬิกามันไม่ได้ปัญหามันอยู่ตัวตัวที่มองผู้มองตัวนาฬิกาปัญหามันอยู่ตรงตัวเราผู้พยายามจะมองดูตัวเราผู้ไปดูนาฬิกา เป็นผู้ที่ไปมองนาฬิกาไอตัวที่ไปมองหันกลับมามองมามองตัวที่มองนาฬิกาดีแต่ไม่ได้มองตัวเราค่ะคือไม่ใช่<อ>ไม่ใช่ไม่ถึงว่าตัวหนูจะต้องเห็นตัวที่หนูว่าที่หนูตัวสงสัยอยู่ในขณะนี้ว่าเอจะดูอย่างไรนาะเราจะดูยังไงตัวพุ่มแทนที่จะเอาตัวเราไป ด, ดูอาการเหมือนมองดูนาฬิกา แต่ให้เห็นผู้มองดูนาฬิกาแทนคือมองดูผู้รู้น่ะเพื่อนง่ายแล้วเราก็ไอตัวที่สงสัยนี่เนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมองดูผู้รู้ยังไงเนาะเราจะมองดูผู้มองหรือมองดูผู้รู้ยังไงเราจะหาผู้รู้ยังไงเจอไอตัวที่มันคิดนึกตึกตอนพุงแต่งแบบเนี้ยว่าเราจะเห็นผู้รู้ไอตัวผู้มองผู้รู้หรือผู้มองดูนาฬิกาเนี่ยหรือหาตัวเราเนี่ยเราจะหามันยังไงเจอจะหาผู้รู้ยังไงเจอ ความจริงเนี่ยเราไม่ได้ไปหาผู้รู้วาเจอหรอกไอ้ตัวผู้ที่จะมาพยายามจะมารู้ตัวเราเนี่ยมันสงสยัยสงสยัยมันพยายามดิ้นรนพยายามค้นหาเนี่ยให้เห็นตัวนั้นแล้วก็วางตัวนั้นลงให้ให้รู้ให้รู้เท่าทันมันใช่ไหมคะว่ามันกํลาลังพยายามปุ๊บมาพอเราเห็นปุ๊บเราก็แบบว่า เห็นมันแล้วก็วา ง, วางมันไปว่ามันเป็นสังขารให้รู้เท่าทันสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันแล้วก็วาเมื่อเห็นมันเป็นสังขารใจก็จะวางมันเองค่ะขอบคุณค่ะใช่ไห ม, ไมั้ย่อก่อนกับ กาบนมัส ก, การค่ะค่ะอาจารย์ออของของหนูก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะใช้วิธีแบบในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่กระทบกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะสังเกตเก็จะเข้าเข้าไปรู้อาการนะคะอย่างเช่นแบบมีอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปรู้ตรงตร ง, ตรงอารมณ์โกรธแล้วก็ก็ ก็จะรู้ขึ้นมาว่ามันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยค่ะโกรธเป็นทุกข์แล้วก็จะวางมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีความโลภอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นก็ก็รู้ว่าเนี่ยเนี่ยตัวเรากําลังโลภขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นทุกข์นะคะก็ก็วางแต่บางครั้งเนี่ยถ้าวางไม่ได้ก็จะสอนสอนตัวเองเงี้ยค่ะว่ามันก็ไม่รู้จะโลภไปทําไมมันก็เอาอะไรไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะหลงเวลาหลงก็ บางครั้งเนี่ยถ้ารู้ก็ก็วางได้บางครั้งถ้ารู้แล้วมันวางไม่ได้ทันทีก็จะสอนตัวเองเนี่ยคะ่ะว่ามันมันก็ดินน้ําลมไฟหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็คือจะหาข้อพิจารณามาแล้วก็สอนตัวเองให้มันวางเนี่ยคะ่ะก็จะจ ะ, จะทําอยู่ประมาณแบบเนี้คะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดนั่งสมาธิก็บางครั้งก็จะพิจารณากายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่ามัน ที่จนัตั้งแต่ผมลงไปจนจนถึงผมไล่ลงมาเรื่อยๆทั่วร่างกายไงคะให้ว่ามันเป็นธาตุมันไม่มีอะไรงไงคะก็ประมาณนี้ไม่ทราบพระอาจารย์พอจะแนะนำเพิ่มเติมได้ไหมคะ คือของโยมนี่เอ่เวลาจะพิจารณาจะเอาอะไรกนแนะ่คือว่าจะพิจารณากายให้ต่อเนื่องไม่กาดสายเด็กก็เอาไปเอาพิานาณาคือมันเป็นภาพรวมๆซะค่ะมันไม่ไม่ชัดเจนค่ะมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเรื่องเรื่องกายไม่ชัดเจนเรื่องเวทนาไม่ชัดเจนเรื่องจิตเป็นแคปล่อยวางเป็นภาพรวมๆพิจารณาภาพรวมๆไปเอ๊ นเข้าใจอีกตัวองได้ไหมเนี่ยมันคือเวลาโยมไปพิจารณาเนี่ยมันก็มีตัวหนึ่งคอยดิน้นรนคอยค้นหาคอยพยายามคือจิตนั่นเองอ<ฆ>จิตที่มันพุงแต่งดิ้นรนค้นหาพยายามทําไปก็พิจารณาไปก็เดี๋ยวเราเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็สงสัยไปด้วยเดี๋ยวเราก็ดิ้นรนค้นหาไปด้วยรู้ทำ<ฆ>ไปในท่ามกลางความลังเลสงสัยด้วยแล้วเราก็ทําไปด้วยพิจารณาไปด้วยเดี๋ยวก็เห็นก็ทําไปนี่ปรงปล่อยวางปงไปวางนนี้ก็ไปเที่ยงไปเที่ยงไปเที่ยง แต่ระหว่างที่เราเนี่ยไปพิจารณาอยู่เราไม่เห็นตัวเราไอ้ตัวเราผู้พิจารณาเนี่ยมันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเราเนี่ยพิจารณาเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางสังขารทั้งหลายแต่แท้จริงตัวเราผู้พิจารณาอยู่นั่นน่ะเป็นสังขารไม่เที่ยงให้เห็นแล้วก็ปล่อยวางตัวเราผู้พิจารณาด้วยว่าตัวเราทีแสดงกริยาการนั่นน่ะที่เป็นสังขารรุงแต่งน่ะ มันเป็นความไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะคิดมันจะนึกมันจะตึกพิจารณาไปก็จะใคร่ควรวิเคราะห์ประมวลผลไข่ควรวิเคราะห์ประมวลผลสงสัยว่าไอ้นี่เป็นในนั่นในนั่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นในนั่นมันก็จะวิเคราะห์ไข่ควรประมวลผลในนั่นด้วยเราจะเห็นตัวนี้ได้ไมว่าวอ้ตัวที่เราไปพิจารณาอะไรตัวที่ไข่ควรวิเคราะห์ประมวลผลที่เออมันใช่ใช่อย่างนี้มันฟงปล่อยวางประด้เยอะออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ตัวที่เอออาเอออาเนี่ยมันเป็นสังขารประแต่งเราจะเห็นมันได้ไหม อ๋อก็บางครั้งก็เห็นมันนะคะหมายถึงว่าเอ่ออย่างตอนที่พิจารณาอย่างเงี้ยก็บางครั้งก็ก็รู้ว่าแบบเนี้ยกําลังเริ่มแบบว่าอยากจะปล่อยวางหรืออยากจะคือเข้าพยายามเข้าเข้าเข้าไปไปวางมันนะคะก็จะเห็นไอตัวที่พยายามที่จะเข้าไปวางเนี่ยแล้วแล้วก็แล้วก็วางมันอีกทีก็คือแบบก็ไม่มีอะไรก็คือแบบก็วางมันทิ้งมันไปเลยค่ะเพราะเพราะรู้ว่ามันมันมันเป็นตัวที่กําลังจะเข้าไปวางซ้อนอีกล่ะมันคือมันมัน มันมันซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็วางมันไปเลยนะคะไม่ใช่ไหมเน่ยก็วางวางไอวางให้ตัวเราเนี่ยเรืยไปค่ะวางวางตัวเองวางตัวเองค่ะใช่วางตัวเองเรื่อยไปค่ะก็เหมือนแบบเวลาที่บางครั้งสุวเราสนทนาแล้วเราโต้ตอบหรือมีการโต้เถียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดการโต้เถียงกันเน่ะเราก็จะมองก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าตัวตนของเราเนี่ยมันขึ้นมาละอะไรเงี้ย คือมันจะมองเห็นเลยว่าเนี่ยความเป็นตัวตนมานะมันเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะวางมันแต่บางครั้งเนี่ยมันยังติดอยู่เนี่ยก็คือจะต้องสอนมันนะคะคือแบบสอนสอนตัวเองทับเข้าไปอีกอค่ะถ้าถ้าเกิดว่ามันแบบมันยังวางตัวมันเองไม่ลงอย่างเงี้ยค่ะคือดูเหมือนโยมน่าจะไปสูงสูงกว่านี้ได้อันนี้มัันยงมันยังมันยัง มันยังไม่ไม่ไปปัญญามันยังไม่เดินถึงที่สุดอลยเนี่ย mm hmm. คือถ้าโยมพี่นายดีนะตัวบอกคือโยมบอกว่าเนี่ยบางครั้งมันวางไม่ได้อะมันวางไม่ได้มันรู้สึกเราติดอะไรแสดงว่าโยมไม่ได้วางตัวเองนั่นพยไยาม <but> จะเอาตัวเองไปวางสิ่งที่ตัวเองติด mm hmm. แต่ไม่ได้วางตัวเองเพราะว่า <Ha. S 1> ตัวเองไม่มีไง ค่ะตัวเราไม่มีแต่เราเนี่ยพยายามมาช่วยตัวเราเองค่ะือเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจจริงครับว <c oughs> ่า <c oughs> ชื่ออะไรนะยอมชื่ออะไรนะชื่อนัดค่ะะนัดค่ะนัดค่ะเดี๋ยวเดีนัดออกมาข้างหน้านิดหน่อยดิ <Ha? S 2> เดี๋ยวจะลองไล่ดีสิ้ลองไล่ดูเยนี้แต่เขานั่งน่าเลยตัวหน้าเนี่ยขยับมานั่งนาหน่อยก็ได้เอออเโอ้ยังยม่เห็นตัวเองเดียดยยยยอยยยนยยยยยยยายยยยยยยมันมั น, ม น, ม น, นยยยยย้ยยยวยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยายเบาใจเบาเกิดอราราอนนมณ <Ha. S 2> ยยยยยยายยยยยยยยยเยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย มันปีกมันปีกอกขั้นนปีกขั้นหนึ่งแต่จ้องทะลุขั้นนี้ไปค่ะคือตอนเนี้ยมันมันมันกายเบาใจเบามันมีอาการเหมือนขนลุกซาบซ่านใช่ไหมกายเบาใช่ไหมกายเบาใจเบาค่ะอาจารย์เออในความกายเบาใจเบาเนี่ยนะนักสังเกตดีๆมันมันเห็นไหมว่าในท่ามกลางความเบาสบายเนี่ยกายเบาใจเบาเนี่ยมันมีอาการ ยุ่ ick, ิ ick, ่ ick, ุกิ ick, ้ ik, ุกิุ้กิงกุในใจเห็นค่ะเออเนี่ยเราเห็นอันเนี้ยไม่มีใครเข้าไปเสวยนะเห็นอย่างนี้นหละอย่าไปสนใจกายเบาใจเบาให้เห็นอาการยุกิ้งคุ้กิุ้กิุ้้กิุกงุกในใจเนี่ยแต่ไม่มีใครเป็นเสวยไม่มีใครไปรองรับค่ะให้เห็นอย่างนี้นะรู้อย่างเนี้ยแต่เห็นว่ามันยุ่งกิ้งุ้กิตลอดเวลาแต่เห็นว่าไม่มีใครเป็นเสวยไม่มีใครไปรองรับค่ะ เพรแบบในชีวิตประจําวันบางครั้งก็จะสมมติว่าเราสนทนากับใครมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเลิกสนทนาไปแล้วเราอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นความคิดที่มันคิดขึ้นมันก็พูดของมันของไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์พูดพู ด, พดมันก็คิดคิ ด, ค, ดคิดเรื่องต่างๆ่างอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเห็นเฉยเฉยไม่ได้เข้าไปร่วมกับมันนะคะพระอาจารย์ไม่ได้เข้าไป ไปซ้ําต่อมาอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นมานบางครั้งก็สงสัยว่ามันจะต้องมาพูดอะไรแบบมันจะมีการต่อเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่ามันบ่นอย่างเงี้ยมันยุกยิบยุบยิบอะไรเงี้ยเอาตอนนี้เลยอย่าไปเอาอดีตไปเอ า, อ า, เอ า, อาตอนนี้ค่ะไปเท้าความนัม่นก็ดีแล้วปัจจุบันเนี่ย<ภ><ภ>ปัจจุบันเนี่ยทุกทุกกรยาการที่เกิดขึ้นในใจในทุกขณะปัจจุบน<ภ>ันไม่ได้ไม่มีใครไปสำวจไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครยึดบ้านถือบ้านไอ้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างเนี้ย มีแต่ว่าสัตว์แต่ว่ามีอาการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไ ป, <S 2> <S 2> บไปทุกขณะปัจจุบันจะไม่มีใครไปสำรวจไม่มีใครไปรองรับหายใจตัวเองขาดอย่างนี้เรื่อยไปปล่อยวางนี่ได้ไหมเนี่ยเราพยายามทําความรู้สึกตัวไว้ไอ้ที่เราพยายามทําความรู้สึกตัวไว้ี่เป็นสังขารพวงแต่งนะวางเลย ทุกกิยาการใดในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นวางให้หมดนะเห็น <c oughs> เห็นแล้วรู้แล้ววางหมดเลยทุกวันไม่มีผู้เขาไปสเสวยไม่มีผู้เขาไปรองรับไม่มีผู้เขาไปยึดบมาถือบ้านไม่มีใครไปจับปล่อยจับปล่อยมีแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองเกิดเองดับเอ ง, เองไม่มีใครเข้าไปสเสวยไม่ไปรองรับเราเอาความรู้สึกตัวเี่ยป็นตัวเราเลยตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งนะความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นตัวปรุงแต่ง เป็นสังขารเป็นตัวปรุงแตง่งเราเห็นว่ามันมีความรู้สึกตัวเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เห็นว่าความรู้สึกตัวนั่นเนี่นยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเห็นตามที่ตาพูดไหมล่ะเห็นค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะก็ ก็เบาเบาค่ะพระอาจารย์ในความเบาเนี่ยเขารู้ของเขาเองไม่ได้ตอนนี้เรารู้สึกว่าเบาสบายว่างมากเลยแต่ในความเบาความสบายความว่างเนี่ยเขารู้ตัวเขาเองไม่ได้ถามใจเราที่ว่าใครเป็นคนไปรู้ความเบาความสบายเนี่ยใครเป็นคนรู้สังขารไม่รู้ก็คือตัวเราเนี่ยไปรู้ ให้รู้ที่ตัวเราเนี่ยนะอย่าไปจับเบาเอาตัวเราไปรู้เบาสบาย mm hmm. อย่าเอาตัวเราไปรู้เบาสบายให้รู้ที่ตัวเรา น, นี่ยนะตัวเราพูดรู้เบาสบายเหมือนเมื่อกี้ไอ้เจ้าหนูข้างหลังนี่มาถามเราที่ว่าไปดูนาฬิกาอย่าดูนาฬิกาแต่ดูผู้ดูนาฬิกานี่ยนะคืออันเดียวกันคือไออาการเบาสบายเนี่ยเหมือนนาฬิกา อย่าไปสนใจนาฬิกานั้นคือให้ให้สนให้เห็นผู้ที่ไปรู้นาฬิกานั้นน<ะ>ใครไปรู้อาการเบาสบายก็เราเป็นคนรู้แล้วก็ปล่อยวางตัวเราซะปล่อยวางให้หมดไม่มีตัวเราจะได้ไม่เหลือตัวเราคือปล่อยวางตัวเราผู้ไปรู้นาฬิกาคือให้เห็นว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงนี่ดูเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะอธิบาย น, นี้เข้าใจกันยังไอก็ทุกคือถ้าเราไปรู้อะไรเราเราก็ปล่อยวาง ปล่อยวางปล่อยวางทั้งสิ่งที่เราไปรู้แล้วก็ปล่อยวางทั้งตัวเราด้วยอ่ะตัวตัวเราที่ไปรู้สึกอยู่หรือว่ากําลังรู้สึกตัวอยู่เราเราก็ปล่อยวางตัวนั้นไปด้วยค่ะอตัวที่ไปรู้สึกตัวดดีตัวตัวเราที่รู้สึกตัวเนี่ยมันมันมันคิดติกตออประมวลผลได้นะค่ะไอ้ปล่อยวางเนี่ยไอ้ตัวผู้รู้สึกตัวที่มันคิดผู้รู้ผู้คิดผู้คิดประมวลผลผู้ติดต่อได้แว่าปล่อยวางมันไปทั้งยวงเลยทั้ง ทั้งผู้ดีตัวเราผู้ไปดูแล้วก็มันคิดประมวลผลตึกต้องอะไรได้่วะวางมันได้หมดเลยค<ะ>่โดวยวางมายถึงว่าไม่เข้าไปสะเวยไม่เข้าไปยึดมันม่นถือมั่ะแต่แต่อันนี้ถามหลวงตาอย่างนี้นว่าอย่างพอเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันอาจจะ ก, กลับมาอีกมันมันอาจจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าเข้าใจผิดแล้ว บอกว่าปล่อยเปสักพักหนึ่งือนมันจะกลับมามีตัวเราไปจับอีกไปยึดอีกมีตัวอีกตัวเราไม่มีอตัวเรามีจริงๆอย่างไหนอใช่แต่บางครั้งมันเหมือนมันหลงไปอีกแล้วเราแล้วเราก็จะไปปล่อยมันอีกเงนี้คะ่ะอาจารย์หลงเราก็ต้องบอกมันว่าไอ้ตัวที่มันหลงเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดแตไม่ใช่ใชว่ามีตัวเราไปหลงได้เพราะว่ามันมันไอ ยังไงก็ใจไปถึงตรงนี้ได้ป่ะวิญญาณเนี่ยเราจะเป็นวิญญาณแท้จิตดังเดินมรรเทาหรือวิญญาณแท้หรือใจแท้ที่มาเกิดเนี่ยตัวตนไม่มีหรอกมีแต่ความว่างว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนเลยแต่ของโยมนัดเนี่ยพยายามจะไปรักษาตัวเราไว้กลายเป็นตัวเรามีตัวตนแล้วไปปรุงปุงจะช่วยตัวเราได้เดี๋ยวตัวเราก็จะหลงละแล้วปรุงพยายามปรุงช่วยให้ตัวเราไม่หลงออื อันนี้มันผิดพลาดเลยมหาหันเลยเพราะว่ามีตัวเราที่เราจะกลายเป็นตัวเรามีตัวตัแล้วพยายามจะช่วยตัวเราไว้ไม่ให้หลงไม่ให้หลงไม่ให้หลงอืมนะคะใช่นะคะเออแบบนี้แหละของนะแต่รู้สึกว่ามันไปชักเขยื้์กันอยู่นะคะพระอาจารย์เหมือนกับอชักเขยื้อเนี่ยอะไรก็ตามที่มีอาการได้สังขารได้มันไม่ใช่ชักเขยื้์ไม่ใช่ว่าเราไ ป, ไปชักเขยื้์กับอาการนั้นนะเราไม่อาจไปแสดงกิริยาการได้ค่ะ การตัดใจที่สงบวางป่าเปา็นึงเดียวกับธรรมชาติเลยมีแต่ความนิ่งความว่างความสงบสนัดไปหมดแหละเพราะว่าไม่มีอะไมนไปชักเรยกอะไรไม่ได้เพราะว่าใจแท้เนี่ยหรือญาติแท้ไม่มีกริยาการใดๆได้เลยสังขารไม่ได้เป็นวิสังขารเป็นนามสังคาตธาตุตัวตนไม่มีแต่มันเหมือนมันอยู่ในสภาวะนั้นตลอดไม่ได้นี่ค่ะอาจารย์เหมือนกับสุว่าพอเราปล่อยไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันปล่อยปล่อยไปหมดแล้วอย่าเงี้ยนะคะ เราไปทํากิจกรรมอะไรต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็บางครั้งเราก็หลงไปอีกอ่ะก็หลงก็คือมันเป็นก็ปล่อยอีกอะไรเงี้ยเราเราก็ปล่อยเราหลงไปเอาสังขารไปตัวเราเอาตัวเราเป็นสังขารได้ก็ตัวเรามันสังขารไม่ได้ใช่ก็ปล่อยอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเอาตัวเราไปสังขารได้ก็ตัวเรามันสังขารไม่ได้การไปเอาตัวเราไปสังขารใช่ค่ะก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วก็บอกคนสิเหมือนกับบอกโยมที่บอกว่า พอ ม, มันมันบอกอโยมโยมเนี่ยที่ที่ที่บอกว่าอ้าวพอมันไปหลงเอาไปสังขารก็ว่ามันบอกมันเอาก็เราสังขารไม่ได้ก็ทำ <cos> ไมเป็นสังขารว่าเร า, ามีตัวมีตั ว, ตวอ่ก <ros> แล้วก็บอกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เชื่อเอง๋ยวก็บอกอีกก็หลงไปสังขารอีกหลงไปคิดไปปรุงไปพยายามอะไรพยายามพยายามพยายามแล้วก็บอกอีกอ้าวไหนวะเราไม่มีตัวตนที่สังขารได้เป็นมีสังขารเป็นอาสังขารสัตธาตุอ้าวทำไมไปสังขารเย่งเย่ง ก็บอกมันอีกว่ามันอีกเหมือนบอกบอกกับลูกหมาลูกแมวสอนมันดีมันว่าอ่าทําไมเอาตัวเราไปสังขารได้ไอ้สังขารได้ไม่ไม่ตัวเราสักอย่างเดียวก็เรื่อปกติเดิมก็หลงหลงไปสังขารอีกเพราะว่ามันมันชินมันเคยตัวว่าเอาสังขารเป็นตัวเราตัวเราสังขารได้แล้วก็ขยันบอกแล้วมันก็มายึดเลสังขารทุกทุกิริยาการก็ไมายึดปุ๊บก็ไม่ยึดเลยปล่อยให้สังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเไม่มีใครไปยึดมันถือมั่น แบบแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกต้อตงนะฝึกฝนก็นะค่ะเออเอ่อเอ้ยอ้ย อ, อ้หนูที่สามเมื่อกี้เนี่ยพอฟังเขาแล้วเข้าใจไหมเรากลับไปเข้าใจไหมเนออี่ยอไม้ไม้ไม้ที่เหลือมก็มีอันนี้อะไรอยู่ยไหนวะเมื่อกี้เมืม่อกีมาฟังไอ้หนูเนี่ยมันคล้ายๆกันกับของหนูเนี่ยมันน่าจะฝึกไม้คล้ายกันค่ะ แต่เข้าใจว่าออมันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันเองอะค่ะเราที่บอกว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยคือเราปล่อยวางจริงและถ้าตรงล็อกกับของเขาแล้วอ่ะเขาก็จะแบบว่าอะไรอะดําเนินการของเขาไปเองคลายตัวไปเองหรืออะไรไปเองต่อเนื่องไปเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผู้อาจารย์ เอออย่าไปหาอย่างนั้นมันจะไปหาตรงล็อกมันจะไป็นหมายไว้พราะตรงหตรงล็อกมันยังหาตายเลยยังกลายเป็นสังขารตลอดเวลาเพราะว่าเราจะไปสังขารตรงล็อกมันมันเหมือนกับแบบว่าอันนี้อันนี้มันเอามันเอาความรู้สัญญาณนาหน้าให้เป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยมงั้นหนูเชหนูกลายเป็นตัวสังขารหมดเลยกลายเป็นเอาเอาตัวที่สังขารได้ปรุงแต่งได้ไปที่ลนจะไปถึงเป้าหมายที่เราไปไปวางว่าให้ไปตรงล็อกตรงล็อกตรงล็อกตรงนั้นอ่ะ อ๋ออ๋ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือว่าคล้ายๆแบบว่าเราเพียงสร้างเหตุพอพอเหตุเหตุแบบว่าเยอะจนกระทั่งแบบว่าเออ่เต็มที่แล้วเขาก็ดําเนินการของเขาไปเองโดยที่เราเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยเราเพียงแต่สร้างเหตุสร้างเหตุอะไรอย่างนี้มากกว่าเกิดปฏิกิรที่ว่าหนูว่าสร้างเหตุสร้างเหตุยังไงอะที่หนูว่าสร้างเหตุคือสร้างเหตุยังไงอ่ะเด็กบอกสิก็ การนั่งนั่งสมาธิก็แบบว่ากำหนดอยู่ที่ที่ตัวเราไม่ส่งจิตออกนอกคือจะนั่งสมาธิอย่างเนี้ยตลอดค่ะโดยไม่โดยไม่หวังว่าโอ้วันนี้วันนี้นั่งนั่งดีจังเอ๊ะทำไมวันนี้มันนั่งไม่เหมือนเมื่อวานเอ๊ะทำไมอะไรยังไงคือจะไม่สนใจตรงนั้นมันจะเกิดก็เกิดไปแค่รับรู้ไปเราไม่ได้คาดหวังอะคะ่ะคือเป็นการเพียรสร้างเหตุของหนูอะคะ่ะโดยไม่คาดหวังอะคะ่ะ วันนี้อาจจะนั่งดีอาะนั่งดีพรุ่งนี้อาจจะนั่งไม่ดีอาะนั่งไม่ดีแค่รับรู้รับรู้ไปอ่ะค่ะาิบยการสร้างเหตุคือสร้างเนี่ยเหตุในปัจจุบันที่หนูเป็นอยู่เนี่ยหลวงตาเห็นหนูนั่งคิดคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดปรุงแต่งอะหนูไม่รู้เท่าทานความปรุงแต่งอันนี้ยคือการสร้างเหตุที่จะไปถึงจุดที่หนูพูดเดินเนี่คือหนูต้องเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าหนูจะสร้างเหตุนั่งสมาธิไปเรื่อยๆโดยที่ว่า ไม่ไปสร้างเหตุแต่ความจริงในเหตุที่หนูไม่ได้สร้างคือในขนาดเนี้ยตรงใตเนี่ยหนูในคิดปรุงแต่งตลอดเลยข้างในอ่ะหนูต้องไปรู้ต้องทันเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยคือหนูต้องสร้างเหตุอันเนี้ยมันจะไปถึมันถึงจะสิ้นความพรุงแต่งได้คือหนูต้องไปปล่อยปล่อยวางปล่อยวางความคิดมาเลยใช่ไหมคะคือมันจะเกิดหนูก็ต้องเห็นเห็นเขาแล้วก็ต้องโยนิโสมนัสติกามันในใจว่าเราเนี่ยมันสังขารไม่ได้ทําไมเราสังขารเนี่ยนั่งเดี๋ยวหนูนั่งสังขารอยู่ตลอดเลยค่ะ หน you, talk, ูก well ็เข้าใจหมดเลยอ่ะเวลาพูดเวลาพูดหนูก็เข um, ้าใจหมดแต่พอพอหนูวางหมยปุ๊บหนูคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาอยตั้งคิดอยู่เนี่ยมันมันไม่เหมือนกับที่หนูอธิบายเลยอ่ะเราเราคิดเอาคิดเอาคิดเอาอย่างเงี้ยมันปรุงแต่งหมดเลยเราจะต้องเห็นสังขารว่าเราเนี่ยกาลังสังขารสังขารสังขารแต่เราเราเห็นแต่เป็นแต่ผู้เห็นสังขารแต่ผู้เห็นน่ยไม่สังขารเห็นแต่จิตเขาสังขารแต่ผู้เห็นเนี่ยไม่สังขาร รู้ไอ้ตรงนี้มันเลยกลายหนูมีแต่สังขารสังขารสังขารคือจิตปรุงแต่งปรุงแต่งแต่ไม่เห็นสังไม่เห็นจิตเนี่ยมันสังขารปรุงแต่งไม่มีผู้เห็นอตายเห็นเนี่ยหนูมีแต่ตัวสังขารอย่างเดียวแต่ตัวผู้เห็นเนี่ยเห็นสังขารไม่มีตรงเนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละ